ให้โกรนายิโกน้อมเข้ามาใส่ใจของเราอย่าฟังแต่เสียงธรรมะี่ใช้จิงหนึ่งเสียงทันชื่อบอกตัวธรรมท่านพูดถึงสิ่งใดเราก็ให้รู้จักสิ่งนั้นดูสิ่งนั้นธรรมะไม่ได้อยู่ที่เสียงเสียงแต่เพียงธรรมเลง ที่บอกให้เรารู้ว่าสิ่ง น, นั้นอยู่ทตรงนั้นสิ่ง น, นั้นอยู่อย่างนั้นถ้าเราฟังเข้าใจวิธีฟังแล้วก็จะย่อมได้รับประโยชน์เลือกว่าสุสุทธังละปฏิปัญญาถ้าฟังโดยดีแล้วได้ปัญญาท่านว่าฟังดีก็ได้ฟังไปก็เสีย ฟังอย่างไรจึงจะได้ปัญญา น, นี่เราผู้ฟังควรใส่ใจมันจะเกิดได้อย่างไรเพราะธรรมะนั่นมีอยู่ตลอดเวลาถึงเทศหรือไม่เทศเป็นของที่มีอยู่แต่ธรรม ที่กล่าวนี้หมายถึงสภาวะแห่งความจริงมันอยู่สลับซับซ้อนกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเรียกว่าไม่จริงสิ่งที่หลอกลวงหรือสะพูดอย่างหนึ่งเรียกว่าโลกกับธรรมที่สลับซับซ้อนกัน เราเลือกแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นโลกอะไรเป็นธรรมถ้าเราไม่ได้ศึกษายังถูกต้องจะเข้าใจเมาไปนเลยว่าโลกอันใดก็ธรรมอันนั้นธรรมอันใดก็โลกอันนั้นเพรา ะ, ะรเราแยกไม่ออกเพราะเราไม่รู้จักไม่เข้าใจ กระพถึงโลกเพื่อมาจากที่บัญญากาโลกก็มาจากคำที่ว่ายังไม่รู้ความจริงยังมองไม่เห็นความจริงท่านจะเรียกว่าโลก เห็นสิ่งจะสมมติเห็นสิ่งที่ะนี่เกิดความยินดีเกิดความโหยใจเกิดความนึกว่าจะได้ความสุขกับสิ่งนั้นจะได้สุขความสุขกับสิ่งนี้จะเลยมีความหลงไปตามอาการนั้นนั่นนี่พูดโดยเฉพาะโลกนั้นท่านเรียกหลายอย่าง มนุชโลกเทวโลกพรหมโลกกามโลกรูปโลกอรูปะโลกเตตโลก ถ้าที่จริงพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้เรารู้จักขันธโลกหรือสังขารโลกโลกทั้งหมดมาจากสังขารโลกมันเกิดขึ้นพรุงขึ้นแต่งขึ้นโดยธรรมชาติดังโดยมีจิตใจผู้พรุงแต่งผู้เจ้าของบ้าง อาศัยเหตุตัดใจบ้างอาศัยไม่มีเหตุตัดใจบ้างโลกที่ไม่มีเหตุโลกคือแผ่นดินนี่ไม่มีเหตุเพราะเหตุใดเพราะสิ่งเหล่านั้น ไม่มีกุศลและอกุศลพระพุทธเจ้าทรงสแสดงเหตุให้เกิดโลกที่มาจากกุศลและอกุศลเหล่านี้เองเหตุในฝ่ายกุศลมีความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเหตุฝ่ายอกุศล คือความโลกความโกรธความหลงอย่างละสามท่านเรียกว่ามีเหตุหกหกอย่างจัดทางหลายทองเที่ยวอยู่ในโลกวัฏสงสารอันนี้ไม่ว่ามนุษย์จะโลกเทวโลกพุทธโลกหรือเปรตโลกท่องเที่ยวอยู่อาศัยเหตุอันนี้ แล้วเป็นตัดใจให้เกิดสังขารเกิดวิญญาณเกิดนามรูปเกิดสลายยศณะพัสเวทนาธนหาอุปทานพบชะเตุความไม่รู้เบียวกว่าก็กากุตลาธรรมนั่นให้สัตว์ทั้งหลายไปสู่ทาง ไม่เจริญเรียกว่าอาบายหาความเจริญไม่ได้เหมืนครานี้เราก็ดูปัจจุบันก็ได้คนที่ไม่มีความรู้ความฉลาดนับไปถึงสินจะหาความเจริญได้อย่างไรไเห็นได้ในปัจจุบันนี่แหละคนที่มีความรู้ความฉลาดความชำ ม, มากได้มีสติปัญญาดีศึกษาดี แต่ย่อมมีความเจริญในเรียกว่ากุศาธรรมะเป็นฝ่ายเจริญผู้มีสติปัญญาดียิ่งมีสติปัญญาเป็นพื้นฐานนภุศลเป็นพื้นฐานแล้วยังมีเหตุในปัจจุบันหากเป็นคนขยันไม่เกียก่ยวกานเป็นคนเอาใจ ใ, จใส่ในการศึกษาในการปฏิบัติในการกระทำ ไม่นิ่งนอนใจเป็นผู้ไม่ตรมาไม่ให้เปล่าจากประโยชน์ไม่ว่าทางกายกรรมและวจีกรรมมโนกรรมใช่กายกรรมให้เกิดกระทำราเจอทางเสริมล้นใจนำมาได้มาซึ่งประโยชน์ ใช้วัตถกรรมให้นำมาซึ่งประโยชน์ใช้มโนกรรมให้ได้มาซึ่งประโยชน์เลึกถึงประโยชน์ไม่ได้คำนึงถึงหะ่ะยากหรือง่ายลำบากหรือไม่ลำบากสิ่งใดที่เป็นประโยชน์เพื่อให้สร้างความสามารถในด้านจิตใจแล้วต้องเพียายามกระทำ ซึ่งทำให้บุคคลผู้นั้นมีจิตกล้าขึ้นในการที่จะเอาชนะตรงกันข้ามหรือฝ่ายกลับเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายาม เราได้เครื่องมือแล้วควรใช้เครื่องมือเนี่ยให้ได้รับประโยชน์เมื่อเวลาใช้ได้เมื่อถึงเวลานั้นเราก็จะเสียใจถ้าเราไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์มีคนจำนวนไม่น้อยมีเวลาว่างเข้าขอาเงินทองก็มีจัก สมบัติอย่างอื่นก็มีทุกอย่างแต่ไม่ได้ทำประโยชน์ที่บัณฑิตทั้งหลายท่านยินดีพอใจมีความเพียรพยายามกระทำเวลาทำขึ้นกับทำติดสิ้งที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์ พอถึงเวลานั้นนึกเสียใจตัวเองอยากจะทําก็ทําไม่ได้อยากจะฟังเทศก็ฟังไม่ได้อยากจะนั่งภาวนาก็ภาวนาไม่ได้คิดไม่สงบก็ตบกระส่ายมีแต่ความเสียใจส่วนเดียวมีเงินมีทองก็ไปเป็นสมบัติของคนอื่นหมดมีเข้ามีของก็ของคนอื่นหมด ไม่มีอะไรติดตามตัวเองแม้แต่น้อยคนที่สุดความเจ็บปวดความทุกข์ก็ไม่ทราบว่าเอาจิตไปไววที่ไหนไม่ทราบไปยึดอะไรไม่มีที่พึ่งอาศัยได้สักอย่างพึ่งอะไรไม่ได้สักอย่าง เมื่ อ, อยังมีกําลังวังชาสมบูรณ์บริบูรณ์พอทําได้ลนะ่ะนึกว่าตัวเองไม่จำเป็นมีที่อะไรก็พึ่งได้ทุกอย่างกินก็ได้นอนก็หลับไปส น, ไนสนุกสนานเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นสี่พึ่งของเราเราสบายแล้วก็เลยฝังตัวอยู่ในอามิตรเล็กๆน้อยๆ น, นึกว่าเราได้ความสบาย พอถึงเวลานั้นเข้าแล้วจึงรู้สึกตัวแต่มันสายเสียแล้วบุคคลอย่างนี้ท่านเรียกว่าบุคคลเป็นผู้ประมาทประมาทในวัยของตนเมื่อวัยของตนมีกำลังวังชาเพรจะจะทำประโยชน์สร้างสติสร้างปัญญาสร้าง กำลังใส่จิตใจของเราเองให้มีหลักมีฐานมั่นคงกลับไม่เอาใจใส่ปล่อยชีวิตปล่อยการงานปล่อยการกระทำสิ่งที่หาสาระไม่ได้หมอไหรยังมีอยู่คนจะทำสิ่งใดตามไหรที่เหมาะสมไม่ได้เลือกทำแม้แต่มีคนอื่นช่อบอกคนทางก็ไม่เชื่อ พอแม่จะเชิดบอกค้นทางหรือครูอาจารย์จะเชิดบอกสนทางตักเตือนก็ไม่ยอมไม่ยอมทําตามไม่จำเป็นในบุคคลเรือกขอประมาทในไวัยของตนประมาทในความไม่มีโรค นึกว่าเราจะมีกำลังวันขาแข็งแรงแข็งแก่กล้าอยู่างนั้นไม่กลัวไม่เกรงใครหังการมามังการนึรกว่าใครสู้ไม่ได้ไม่ทางร่างกายไม่ทางการงานหรเรียกว่าประมาทในความไม่มีโรคจะมีกำลังเท่าช่างสารถ้าเรเกิดขึ้นแล้ว ไก้กาไข้เถอะผนที่สุดโรคไข่ไข่ไข่เจ็บหนักๆเข้ารักษาไม่หายก็ น, นึกเสียใจเมื่อตาเรายังดีเราก็ไม่ได้ศึกษาธรรมหูยังดีเราก็ไม่ได้ฟังธรรม กำลังร่างกายของเราสมบูรณ์เราก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ไหวพระไม่ได้ปฏิบัติถึงเวลานั่นนึกอยากได้ลึกหาที่พึ่งไม่ได้ประมาทในชีวิตลึกชีวิตของเรายังไม่แก่เรายังไม่ไม่ชรายังไม่ เจ็บยังไม่ตายโมเมาเพ่ิดเพินแ่ถึงเวลานั้นไม่มีไม่ติตไม่มีเครื่องหมายว่ามันเกิดขึ้นแล้วสายเสียแล้วเพราะจะนั่งการเราทาั้งหลายเรืออภินหาปัจเวศคณะทุกวันทุกวั น, วนเพื่อกำจัดโมเมาลรานี้แหลชะชดาท ร, รมมเห็นกรังอานตีโตเพื่อไม่ให้โมเมาในวัย เมื่อเราเป็นหนุ่มมีกําลังวังชาวันนี้ก็จะเป็นคนชราญในอนาคตข้างหน้ า, ารู้จักอย่างนั้นเรีบทํากิจที่ควรทําเมื่อกําลังยังมีอยู่ยังไม่สายพยายามที่ท ม, มมุมพยายามใหอนาติโตเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแย่งแรงในวันนี้บางทีอาจจะเกิดขึ้นได้เวลาไหนก็ได้โรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นเราไม่ควรประมาท มรณะทำบรมนิมรณะานาันติโตนี้ก็ไม่ให้ประมาทในชีวิตเพราะชีวิตนี้ไม่มีมิตรไม่มีเครื่องหมายสัพเพหิเมตเเยหิเราจะต้องคลาดพลาดจากของรักของชอบในทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เรารักหระชอบเพราะฉะนั้นไม่ควรประมาทในความมั่งความมีในทรัพย์สมบัติไม่ควรอดอ้างเอาความมั่งมีไป หาสินดอกวงตัวเองให้มูเมาเพิดเพลิพในสิ่งที่ไม่เป็นสาระเพราะสินดอก น, นั้นน่ะนอวงแต่เป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่จริ ง, ย, งยั่งยืนเปลี่ยนแปลงไปได้ทั้งอัตภาพร่างกายทั้งชีวิตทั้งโรคภัยไข้เจ็บตลอด ท, ทั้งทรัย์สมบัติ เมื่อร่างกายนี้มัน เ, นเปลี่ยนแปลงไปแล้วสมบัติจะมีประโยชน์อะไรสำหรับผู้ที่มีความทุกข์เป็นของไม่เนีนนอนเป็นของไม่มันคงนี่เลี้ยงทำให้เราทั้งหลายพิจารณาเพื่อมาให้เกิดความประมาทเกิดความหลงทำให้เราสร้างสติ คดาระอบรมพระพุทธเจ้ามักตะเอาธรรมเหล่านี้มาแสดงให้เราเปล่นใจเราอยู่เสมอผลที่สุดพระองค์จะดับคันตรินิพานจากไปทรงพูดโดยเย่ะวัยะธรรมาขยะธรรมาวัยะธรรมาตังคาราอัปมาเดนะตั้งประเดถาติสังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปมีความสิ้นไปตลอดเวลาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมในความไม่ประมาทพระองค์ปิดพระโอษฐในคราวนั้นไม่ได้แสดงอีกเลยเป็นคำรวบรวมท่านทั้งหลายท่านว่ายู่ในความไม่ประมาท เป็นธรรม ท, ทิเล่เป็นธรรมยอดเป็นธรรมทั้งหลายเหมือนแต่เรือนทั้งหลายกลอนขอเรือนไปรวมอยู่ที่ยอดน้อมไปที่ทยอดเดินอยู่ที่ยอดธรรมทั้งหลายความไม่ประมาทเป็นยอด มันด้ทางหลายยกย่องความไม่ประมาทความไม่ประมาทนี้เพียงแต่เรามีสติระลึก ต, วตรวจตัวของเราอยู่เสมอตลอดเวลาเกิดความสงบเกิดความระวาง ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก้ไขสิ่งที่เกิดประโยชน์สิ่งไหนไม่ไม่มีประโยชน์ควรแก้ไขก็แก้ไขสิ่งไหนควรละก็ละสิ่งไหนควรเจริญก็เจริญกระชับเพราะทำไม่ละสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ก็ย่อมเกิดขึ้นถ้าไม่แก้ไข ด้วยความเพียรพยายามด้วยความ อ, อ, อดทนกิเลสดังอยา่างจงละด้วยความเพียรกิเลสบางอย่างต้องละด้วยความเพียรแล้วยังไม่เข้าไปถึงยังละไม่ขาดก็ต้องอดทนต่อไปอีกจนกว่าจะขาดจนกว่าจะหมด บางอย่างก็ต้องติดตามด้วยอํานาจสติโดยอำนาจกำลังใจความตั้งมาโดยอํานาจแห่งความปัญญาสอดสอด้วยอํานาจแห่งความสงบความเรรเหมือนกับโรคมีหลายอย่างยาที่จะแก่โรคก็ต้อง ให้มันพอแก่โรคสมดุลกันมีกําลังมีสามารถที่จะบำบัดโรคข้าเชื่อโรคนั้นได้ธรรมะคาสอนพระพุทธเจา้าที่ต้องมีมากเพราะจิตใจของเรามีสัญญาอารมณ์มีกิเลสหนาปัญญาอยาก ส่วนท่านเพื่อจะมีกิเลสเบาบางไม่ต้องมอเหมือนกับท่านภาษาลิบุตรได้ฟังธรรมของพระอัจฉริย์ยาวย่อเท่านั้นเพราะท่ า, า, เเเทานเบาบางแล้วท่านก็เข้าใจรู้ทั่วถึงธรรมทั้งหล า, า, ายสามารถกำจัดความสงสัยเสียได้ไม่สงสัยในธรรมในเรืไหนเชื่อมัน อาจารย์ละสัทธาได้ตกกระแสบรรลุหนาทางเมื่อท่านได้บรรพชาอุปสมบทแล้วปฏิบัติไม่นานทั้งก็สำเร็จท่านไม่ต้องต่อสู้นานไม่ต้องใช้อุบายพลิกเทิงไปมาเพราะเบาบากแล้วส่วนได้จะต้องอาศัยความเพียรต้องอาศัยความอดทนต้องอาศัย ความพยายามสติสมาธิปัญญาทุกอยาก่างถ้าไม่ทำอย่างนั้นมันก็ไม่สมดุลกับสิ่งที่มันหนาแ น, น่นอยู่ในจิตในใจมันสลัดออกไม่ได้เหมือนกับัาชนะของเราเราต้องการความสะอาดเมื่อเราเอาน้ำเทลงไปไม่ออก เราก็ต้องเอาถูเมื่อถูมือเก่าไม่ออกก็ต้องเอายาอย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารจะออก ถ, ถูไม่ออกข้างเดียวก็ต้องหลายหลายข้างถูแล้วถูอีกคัดแล้วคัดอีกถ้าไม่เต็มเ ย, ยียบอย่างนั้นมันก็ไม่สะอาดจริง ส่วนภาชนะบางอย่างมันสะอาดอยู่แล้วเพียงจะติดเล็ ก, ลกน้อยๆแม้แตถูกน้าเล็กน้อยมันกสะอาบไปได้เพราะฉะนั้นจึงไราไม่สามารถที่จะพยากรอนว่าแต่และบุคคลาจะปฏิบัตินานเท่าไรจรึงจะสาเร็จจึงจะพ้นทุกข์ถ้าเราได้ชั้นละมาแล้วเป็นผู้เบาบางแล้ว มันก็ไม่ต้องใช้ภาวนา ง, นานาง่ายก็สำเร็จเพราะฉะนั้นัารจึงจัดการปฏิบัตินั่นเท่าไหร่สุขาตฏิปจัปปทาทิฏาปิญญาปิญญาบางองค์บางท่านปฏิบัติสะดวกสบายแล้วก็สำเร็จเร็วสุขาตฏิปจัทาทาันตาพิญญาบางองค์บางท่านปฏิบัติสะดวกสบาย แต่สำเร็จชาก็มีทุกข์ข้อปฏิปทาคิดป่ิญญาบางองค์ปัจจบัติลำบากก็จะสำเร็จเร็วถ้าปฏิบัติสะดวกสบายไม่สำเร็จจะต้องลงทุนขนาดหนักแต่ก็สำเร็จได้ทุกข์ข้อปฏิปทาทันตาปิญญา บางองค์บางท่านตั้งปฏิบัติอดทนต่อสู้ทรมานจะต้องต่อสู้เรื่องราวนานแสนเ s ือนว่าจะได้สิ่ง n อบสนองทำไมธรรมะอันเดียวกันได้ยินจากพระโอษฐ์พระองค์อย่างเดียวกันการไม่ใช่ปฏิบัติทไมจะต้อง ได้รู้ได้เข้าใจเวลาไม่เท่ากันเพราะเกี่ยวเกือนเนื่องโดยจิตแตละบุคคลนั่นอยู่ลำดับไม่เท่ากันเหมือนกับผาชนะที่จะต้องลงทุนขัดกว่าจะสะอาดบางอย่างก็ไม่สะอาดเจะเลยทิ้งพาไปขัดไปขัดไปก็ทะลุขัดไปขัดไปก็แตก ใช่ไม่ได้ก็ทิ้งเขาป่าแต่เราทั้งหลายผู้เป็นสาธุชนมีสติมีปัญญาสามารถที่จะเข้าใจได้ปฏิบัติได้สามารถที่จะสร้างศรัทธาให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในตัวของเราได้เราก็พอที่จะ สอบตรูปทำเป็นแนวทางถ้าหากเราทั้งหลายมีความเพียรดีมีความตั้งใจดีเป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยเพราะคาว่าทำที่เป็นสภาวะความจริงหนิมนี่อยู่ทางรูปประรมแนะนา ม, มาทำนี่อยู่แล้วในตัวของเรากทางองค์ประชลความจริงอยู่ตรงนี้เอง รูปธรรมก็เราได้ยินได้ฟังแสดงมาหลายครัง้งหลายหนรือแทบทุกวันก็ว่าได้ น, นี่พื่อจะให้เราดูให้ชำนาญให้คลองควอย่าเพิ่งรงาคาญว่าแสดงอันเกา่เกาๆซ้ำๆสักสะถ้าพูดถึงความจริงเราไม่สามารถจะเอาอันใหม่ม า, มาได้เพราะงานอันเก่านี้เราทำยังไม่สาเร็จเราก็ต้องทำแล้วทำอีกปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีก เหมือนกับสื้อผ้าของเราเมื่อเราเศร้ามองอีกเราก็ต้องซักอีกเมื่อเราไปใกล้เศร้ามองอีกก็ต้องซักอีกแต่พื้นเก่านันะ่นแต่วิธีเก่านั่นแหะไม่ใช่วิธีใหม่เรารับทานอาหารก็เหมือนกันรับทานแล้วรับทานอีกปุุงแล้วปุุงอีกวิธีเดิมนั่นแนหะอาหารเหมือนเดิมเหม น, นเพราะยังหิวอีกยังมีอยู่อีกหิวอีกเราก็ต้องแก้ไขอยู่ จิตใจของเราจะหมืนกันถ้ามันหิยังหางอยากอีกยังไม่เต็มเราก็ต้องพยายามปฏิบัติจนมันเต็นดมันมันความวยกเรียบร้อยอยากขจิตเหมือนมาจากความรูความจริง ถ้ายจิตรู้ความจริงของธรรมะการทำคำสอนพิเภกองได้แสดงไว้แล้ว<ม>เห็นชัดแต่ต้นจนถึงปลายเห็นปลายจนถึงต้นไม่มีอะไรอื่นเป็นของใหม่วกวนเวียนอยู่อย่างนั้นเกิดความเบื่อหน่ายในทางนั้นในงานประเภทนี้ ในงานแบบโลกโลกไม่เห็นฝั่งเห็นเขตเห็นแดน่มันจะหมดแลวมันจะสิ้นสุดเมื่อไร่ไม่มีมองกระโย่ในกลางมหาสมุทรมองไม่เห็นขอบเขตว่าจะถึงฝั่งเมื่อไรมองไปทิศทางไหนก็มีแต่ น, น้ำติดกับฟ้า ฉะนั้นเกิดความบนในทางนี้เราไม่ไปมีทางใดพอที่จะไปได้เราก็ควรพยายามสะเกต ก, กายไปในทางนั้น ท, ทางที่พระพุทธเจ้าพาปฏิบัติมาเป็นทางที่จะถึงฝั่งได้เราก็ควรพยายาม สเสกียสกายแต่ามทางที่กระองผักไปถ้าเราทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์เต็มเปีเป่ยมแล้วก็สามารถที่จะทำให้เราเพียงพอไม่กระวนกระวายเอเราทัหลายทั่งใจปฏิบัติ ศึกษาปัญญาที่จะเกิดเกิดจากสินน่งเหล่านี้แหละปัญญาได้จากทุกก็มีมีพาเิตอันหนึ่งที่พระพระุทธเจ้าทรงปรวกาจิตตังดันตังสุ ข, ขาะหัง จิตที่ฝึกได้แล้วนำความสุขมาให้ี่ภาสิทธิ์ยอดยอาจิตที่ฝึกฝนเธอฝึกทรรมนั่นเองถ้าฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้เราทั้งหลายเมื่อได้เข้าใจภาสิทธิ์โดยยอดนี้แล้ว เรามาตรวจดวยจิตของเราจิตของเราได้รับฝึกฝนมากน้อยเพียงใดเราก็จะได้ทราบเพราะเราเป็นผู้ฝึกเรานั่นแหะเป็นผู้ทราบการฝึกของเราเองการฝึกจิตให้มีความรู้ความฉลาดในการ การทำและในการปฏิบัติเพื่อจะได้ถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการคือความสุขอย่างแท้จริงต้องฝึกอาศัยหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงประทานไว้ให้แก่เรามันดาคำสอนทั้งหมดไม่มีคำสอนใดที่จะใช้ ให้เกิดประโยชน์ได้รับความสุขอย่างแท้จริงเหมือนคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราทั้งหลายเรียกว่าพระพุทธศาสนาที่เราเริ่มใส้ในทางพระพุทธศาสนาก็เพราะคำสอนของพระองค์นั้นเป็นคำสอนที่เรียกว่านนยานิจธรรม ย่อมนำผู้ประพฤติปฏิบัติออกจากทุกได้ถ้าหากเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ได้ศึกษาให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใสแล้วกังใจประพฤติปฏิบัติตามไม่มีความประมาทในวันหนึ่งครังหน้า ถ้าเราทั้งหลายทำตามไม่ลดลกเราก็จะได้ถึงความสุขอันนั้นเพราะมีผู้ปฏิบัติทุกขดอบรมแล้วได้ถึงจุดน้อยปลายทางคือความสุขมาแล้วเป็นจำนวนมากถ้าหากตเรามาพิจารณาเปรียบเทียบ ด, ดู ท่านเี่ประพฤติปฏิบัติมาก่อนท่านก็อาศัยทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรากําลังศึกษานี่แหละไม่ใช่ทำมาจากไหนไมาจากที่อื่นไกลมาจากศส้นสมาธิปัญญาเรียกว่าหนทางปฏิบัติหรอเรียกว่ามรรค ทันย่อมาจากมรรคแปดคือประกอบไปด้วยองแปดมาแล้วสรุปย่อลงมาเองก็คือศีลก็คือสมาธิก็คือปัญญาเราปฏิบัติจากศีลธรรมดาให้เป็นอธิศีลคือศีลยิ่งเราปฏิบัติจากสมาธิธรรมดาให้เป็นอธิจิตคือให้จิตยิ่ง มั่นคงเราจะกความปฏิบัติจากความรู้ความเห็นที่เราได้ศึกษามาที่เกิดปัญญาจากการศึกษาให้เป็นปัญญายิ่งเรียกว่าอธิปัญญาทั้งสามอย่างนี้เราควรทำให้เกิดให้มี ให้ถึงพร้อมในจิตใจของเราเพราะศีลเป็นพื้นฐานที่จะให้เราอบรมสมาธิมีผลใหญ่มีอเนิสงใหญ่ถ้าเราปฏิบัติทำให้ศีลสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วศีลมีประเภทต่างๆ ตามเพศตามภูมิที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้สินของคารวา ส, สินของนับบวชถึงสินอย่างไรก็ตามแต่ต้องปฏิบัติให้บริสุทธิ์ถ้าสินมากก็จริงถ้าไม่บริสุทธิ์ก็ไม่สามารถที่จะชำระอสวะกิเลสให้เป็นสมาธิทั้งมันได้ เพราะฉะนั้นศีลเป็นพื้นฐานอันสำคัญอย่างยิ่งเราควรตรวลึกตรัตรองคือการสารวมกายการสารวมวาจาให้เรียบร้อยเรียกวาสินเพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นพื้นฐาน ของการที่เริ่มจะทำสมาธิจะต้องอาศัยเป็นผู้มีสติคือการอบรมสติให้เกิดความสารวมนั่นเองที่เราสมาธานสินท้าเพื่อให้เราสารวมระวังไม่ให้เบียดเบียนชีวิตซึ่งกันและกัน ไม่ให้เดียดเบียนทรัพย์สมบัติของกันแลกกันไม่ประพฤต์นอกใจซึ่งกันและกันไม่กล่าวคำเท็จไม่เป็นคนมึนเมาเพราะอาศัยการดื่มกินสุราและเมรยัยเมื่อเรามาส่องดูแต่ละข้อละข้อแล้วล้วนแต่เป็นฝักฝายในทางที่ ทำให้เราโมเมาประมาตมีโทษมีทุกมีภัยเราจะปฏิบัติจิตใจภา ย, ยในให้สงบละเอียดไม่ได้เพราะกรรมหยาบเหล่านั้นมันเป็นเวรเป็นภัยที่ให้ปรากฏขึ้นในปัจจุบันด้วยทางอนาคตข้างหน้าด้วยถึงพระพุทธเจ้าไม่บัญญตัติแต่ทั้งโลกกฎหมายก็บัญญัติ เช่นเดียวกันแต่เป็นเป็นบางข้อเท่านั้นเหมือนข้อที่ห้านอกขณียมกันถึงอย่างนั้นก็มีขอเขตบางแห่งเขาก็บัญญัติแต่พูดถึงความจริงแนละ้วโทษขอห่านั้นถ้าเราไม่ตรวจสองดูแล้วนึกว่าไม่สําคัญแต่ถ้าพิจารณาแล้วสําคัญมากเพราะท่านว่าเป็นเหตุหที่ตั้งแห่งความประมาท ความประมาทนี้เองเป็นตัวเหตุตัวปัจจัยที่อาศัยให้ทำกรรมอื่นๆได้ยากทร่เษาได้เพราะความเมินเมานั้นทำให้กุศลจิตคือความฉลาดนั้นลดน้อยถอยลงให้เกิดความเมาความลุ่มหลงทำลายสติซึ่งเป็นแลกฐานของความงามความดีทั้งหลายอย่างสาคัญ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเห็นความสําคัญในค้อนี้พระองค์จึงจัดเข้าในศินห้าประการให้พุทธบริษัทของพระองค์เป็นผู้มีสติสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่เป็นคนมึนเมาที่ผู้รู้ทั้งหลายติเดเตียนเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึงตรวจรองในค้อนี้ เห็นความบริสุทธิ์ของเราที่เราแต่ละเว้นการกระทําแล้วเราก็พิ่งมีความเบิกบานใจว่ากายของเราบริสุทธิ์วาจาของเราบริสุทธิ์บริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาเพียงแลักสาสินที่นี้ปจัดว่าบริสุทธิ์ได้แต่จังจิตใจ ย, ยังไม่สามารถจะทําจิตใจให้บริสุทธิ์ได้ เพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องอบรมจิตใจให้เป็นอธิขิตคือให้มีสติเข้าไปกำกับละลึกเกิดความสัส่มรวมเช่นเดียวกันเหมือนกับเราสํารวมกายและสํารวมวาจาในอิรยาบทต่างๆเมื่อเราต้องการให้จิตนั้น เมื่อกำลังกล้าเป็นอาธิจิตแล้วเราจะต้องสำรวมแบบภาวนาละลึกทำคำบริกรรมละลึกเพื่อสติเข้าไปถึงจิตจริงๆแลาา้วรักษาจิตดวงนั่นจริงๆไม่ให้ฟุ้งซ่านไม่ให้รำคาญทรงไปตามอารมณ์ต่างๆไม่ให้จิตเกิดความประมาทเล่นเลอะหงงเงาหนอน ไม่ให้จิตมีความหดหูและเครีเครียให้จิตตั้งเที่ยงตั้งกลมตั้งมั่นในกรรมฐานที่เรากำลังเลิกอยู่เมื่อเรามีจิตเข้าไปช่วยแล้วรักษาจิต ไม่ให้อารมณ์ภายนอกชักจูงไปจิตก็ย่อมไม่ได้รับความกร ะ, ทกระเทือนจากอารมณ์ภายนอกจิตรวมตัวเข้าสู่ความละเอียดความตั้งมั่นความสงบ เกิความวิเวกในจิตขึ้นม า, มาเรียกว่าจิตตวิเวกส่วนความสะอาดกายสะอาดไว้าจากเรียกว่ากายอยาวิเวกหรือสังกัดกายที่เรามีความสำรวมรักษากายไม่ไม่มีอกุศลในทางเกิดขึ้นจากการกระทําทางกายและวาจา เช่วอว่ากายวีเวกสงบทางจิตใจ